กราบนมัสการท่านพระอาจารย์คำว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ๆเจ้าค่ะก็สักแต่รู้แต่ เพราะปกติเวลาเรารู้เราเห็นเนี่ย 3 ทางไปนึก แต่ถ้าเราสักแต่ว่ารู้คือภาษากระทบปั๊บก็ช่างมันแล้วก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติก็จบละรู้อะไรขึ้น คืออย่าให้เมล็ดมันงอกแค่นั้นเองเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณนะเปรียบเหมือนภพเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วมีน้ําไปรดตัวน้ําคือนันทิทําให้เมล็ดงอกขึ้นมาชาติการเกิดมีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ นี่ธัมม์ก็จะขึ้นประสูติดูก่อนด้วยอาพาธด้วยไม่ เวลาเรามีผัสสะพระองค์จึงบอกอ่ะสักแต่ว่ารู้ไปภาษากระทบปั๊บนั่นมีพบอย่าให้มีคือผูกกับอารมณ์ต่อถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือมีชาตินั่นตัวพบก็คือผืนดินผืนนา พื้นดินหรือพื้นนาหรือพบเป็นที่ฐานที่ตั้งแล้วก็ทําการงอกขึ้นมามัน ช่างมันรับรู้ปั๊บช่างมันรับรู้ปุ๊บวางรับรู้ปั๊บวางนี่ไงสักแต่ว่ารู้ละนะและถ้าเราเข้าใจตรงนี้ทําได้อย่างดีอย่างรวดเร็วก็จะเหมือนกับพระพายะฟังธรรมะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบรรลุธรรมเลยนะหรือเหมือน <c oughs> มาลุงกายบุตรบอกว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยผ่านวัยมานานและผ่านราตรีมานานน่ะ เมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ทําแค่นี้กองทุกข์ดับไปได้แล้วนะนี่คือลักษณะสักแต่ว่ารู้รับรู้แล้ววางไปทันนี้วางไป เนี่ยกายไม่ใช่วางรับรู้ปุ๊บวางแล้วไปหารู้ใหม่ต่อรู้ใหม่ในอารมณ์ เรื่องเสาเขื่อนตั้งจิตอยู่กับกายหลักเห็นนะอือ